บทภาชนีติกะปาจิตตี338เล่นน้ำภิกษุสำคัญว่าเล่นต้องอบัตปาจิตตีเล่นน้ำภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตปาจิตตีเล่นน้ำภิกษุสำคัญว่าไม่ได้เล่นน้ำต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุเล่นน้ำตื้นใต้ข้อเท้าต้องอบัตทุกกดภิกษุนั่งเรือเล่นในน้ำต้องอบัตทุกกดภิกษุใช้มือใช้เท้าใช้ไม้ หรือใช้กระเบื้องตีน้ำต้องอบัตทุกกฎภิษสเล่นน้ำน้ำสาวข้าวน้ำนมเปรียงน้ำย้อมน้ำปัสสาวะหรือน้ำคโครนที่ขังในภาชนะต้องอบัตทุกกฎไม่ได้เล่นน้ำภิษสูสำคัญว่าเล่นต้องอบัตทุกกฎไม่ได้เล่นน้ำภิษสไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ได้เล่นน้ำภิษสูสำคัญว่าไม่ได้เล่นน้ำไม่ต้องอบัต<ห>